295สมัยนั้นตระกูลอุปถากของท่านพระอุปนันทสกยบุตรส่งของเคี้ยวไปถวายทรงด้วยสั่งว่าขอมอบให้พระคุณเจ้าอุปนันทสกยบุตรเป็นผู้ถวายสงครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสกยบุตรกําลังไปบิทาบาทในหมู่บ้านพอดีพวกชาวบ้านไปถึงอารามถามภิกษุทั้งหลายว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้าอุปนันทสกยบุตรไปไหนภิกษุทั้งหลายตอบว่าอุบาสกทั้งหลาย ท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกชาวบ้านเรียนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายของเเคียวนี้มอบให้พระคุณเจ้าอุปนัน tha เป็นผู้ถวายสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภา ค, สสารรรภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุพระสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่ น, นั้นพวกเพื่อจงรับระเคแล้วเก็บไว้จนกว่าอุปนันทะจะกลับมาฝ่ายท่านพระอุปนันทะสกยบุตรคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาชันปัตาหารจึงเข้าไปเยี่ยมเยียนตระกูลทั้งหลายภายหลังเวลาชันปัตาหารกลับออกมาเวลาบ่ายของชันถูกส่งคืนบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่า